พระสามสิบสองบมาชันหกองเมื่อนี่คคบอาการสามสิบสองพระสามสิบสองรูปผาในวัดเท่าไปเที่ยววิเวกก็มี่ไปทำบุญหาแม่กม็มี่ไปเยี่ยมแม่ป่วยก็มี่โอ้เมื่อนี่เป็นหลึกสันวันดี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 ชุ่มเย็นทัวอำเภอนายุ่งของเห่าคี่ว่าโจกตีตกกว้างอย่ได้เบิงๆนะเมื่อ น, นี่เป็นวันพอเน่นยุย่ยกับเมย์เน่นยุย่ยทำบุญบ้านของเพิ่นมนพระไปสวดมนต์เมื่อวานเมื่อนี่กันได้มาเอาอาหารถวายมากมาถวายพระสงฆ์ในวัดแต่ตามไม่จริงวัดปลาบ้านตาดนะคณะท่าญาติโยมผู้ใดนิมนต์พระพระบไปสันจังหันในบ้าน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 นัน่ น, นอุดอรเพิ่นจะรับทีหนึ่งเพิ่นก็บอกคอยรับอีกรับนิมนต์เพิ่นบอกว่าวัดป่าบานาันดาดเนี่ยท้าวัดรับนิมนต์ทุกครั้งที่เขามานิมนต์ที่ผมมีพระอยู่ในวัดเลยเป็นวัดไม่จะไล่าการกินไม่จะไล่าการคิดนิมนต์เพอยนั่นเห่าบ่อยหรับบ่อยับนิมนต์อันนี้คือวัดป่าบานาันดาศหลวงตาเพิ่นเด็ดขาดแต่หลวงพ่อเนี่ยหลงพ่ออินเนี่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 เอามันยากอยู่เ้ยเป็นกาขอให้พวกเข้าศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกคนนะที่บอกให้ฟังเนะี่็เป็นแนวความคิดของพววเข้าทั้งหลายให้สางบุญสางกุศลจะตั้งอยู่ในความประมาทพราะชีวิตของพววเข้ามาถึงขนาดนี้แล้วสักปีแล้วใหยยกตัวอย่างของหลวงพ่ออินเนี่ยนะอีกพวกี่ปีก็เจ็ดสิบแล้วเดปีนี้ก็หกสิบหกะเดือนเมษายนก็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 ใจเป็นผู้เหต์เด้ใจเป็นผู้เหต์บุญใจเป็นผู้เหต์บาปจังว่าเป็นยังไงอย่างครับว่าเหต์ใจคืดซะ ก, ก่อนใจคืดซะก่อนยังค่อยเหต์บุญใจคืดซะก่อนยัง ค, คอยคอ ย, คอยบอกใจคืดซะก่อนยังคอยทําคําว่าใจคืดไปในท่ามเี่ขาผู้อื่นบ่ขโมยผู้อื่นเหต์ความซัวคืดซะก่อนแล้วก็เอากายเหต์เหต์ความซัว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 ใจตัวนี่แหละเป็นขั้งเป็นขั้งและเป็นตูเส็บเก็บบุญเก็บบะเขาสู้จิตเขาสู้ใจเพราะฉนั้นขอให้พวกเฮาปัญญาวหยมีพุดโธษในใจเฮ็ดยังให้มีพุดโทเนะ้อพ่อแม่คู่บ่ายจานของเฮาให้มีพุดโธษในจิตในใจถ้ามีพุดโทษในใจเลยขัําความส่วนะขามาบ่ได้พอเามีสติอยู่สิ่งใดที่มั่น บ, บ, บ อ, บอดีเฮาบ่เฮ็ดอบ่อทาบ่อผุด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 หลวงพ่ออินก็บอกหุจักขึ้นกันแต่ละค้นขึ้นเรลืองอย่างหลวงพ่ออินหมดเพราเสื้อเพรเสื้อเพเสื้ออยู่ก็มีดลงไปหลวงพ่ออินเออแมนแมแมนนลงคว่มหลวงพ่ออินหมดเนี่ยแมนแมนเออฟังอยู่จังสี่ก็มีดแต่หลวงพ่อก็บอกหุจักขึ้นกันว่าเท่าขึ้นจังไดนั่นแ่ะอันนี้คือใจของเท่าแต่ละคนนี่อมันมีอยู่แต่ว่ามันบหุ่จักแต่พระพุทธเจ้าบนหูวได้บาด เพิ่นไม่ยานะทัศนาเครคว่าเพิ่นเป็นนางพาวนาเิีตของเพิ่นเขาสู้ความสงบอแล้วก็หุ้งเลยบันฑ์ว่าใจของเขาผู้นั้นคิดอย่างไงยังพระอนุรุทธานี่แห้งหูจักมัดว่าใจของผู้ใดคิดอย่างเอ้การเปนเพิ่นขุดจังสั้นขันเพิ่นหูจักสั่นมดกุ้นแน่นเลยเพิ่นที่เป็นยางไรลงพอว่าพระหารเพิ่นขึ้นจีบบึงอยู่ตลอดลงพอวะเออบางทีเนกะจีฮุบไว้ขึ้กันน่ะ ขั้ น, เ ป, นเปิดไปอยู่ตลอดเบิงอยู่ตลอดคือเพิ่นกิคือสีหากออกลงไปเออเพิ่นเห็นมนุษย์พนันคิดจริงจี่อพนีคิดจรงสันพนันคือสีทับสวนวุ่นไหวขนาดว่าลงไปเออเพิ่นสีหุบไเปเพิ่นยังเบิงพอเลยเพิ่นยังมืนตาเบิงไปเออพอเบิงพอเลยก็เพิ่นกะ็ะจีพิดตาไวคันสีเบิงทุกวิญญาณทุกแนวความคิดนี่เรื่องใจของมนุษย์นี่คือสีงุงเยิงวุ่นไหวนี่แหละอันนี้คือว่า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 อจิตร่วมสงบจิตเอรวมเท่านั้นแหะเป็นหนึ่งจิตบกคิดบก๋งบกฝุ่นบกซ่านร่างกายมันจะเป็นอันหนึ่งร่างกายของห้องเป็นอันหนึ่งใจของห้องเป็นอันหนึ่งเห็นได้ชัดเลยไม่ต้องถามไปบ้านหู้จักด้วยตนเองเลยร่างกายเนี่ตายแน่นอนถาดสีดินน้ำล่มไฟเนี่แตกตายสลายลงสู่ดินน้ำล่มไฟก็าตายไปเลยกับเน่าเหม็นเลยล่ะเอจากนั้นก็ไปเผาก็มีดกระดูก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 เฮ็ดยังไงดะโซเฟอร์ก็ so ออกจากรถเนี่ยรถขั้นไหนก็มีแต่หนูเข้าไปปาหยาพ่องหยาเท่า น, นั้นแหละเป็นเศษเล็กยัห่หันน่ยเฮาจะเฝ้ายั่หันได้เมื่อวันวิ่งย่านคือกันกับคนขับรถนั่นคือใจออกจากล่างพปละออกจากล่างก็ไปหาเกิดหมอไม่ยังแหละไปหารถขั้นใหม่อีกนี่แหละตอนที่ไปหารถคันใหม่เนี่ยสําคัญบ้านเนี่ยพระพุทธเจ้าพ่อแม่คูบาอาจารย์เพื่อนวานว่า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 บ้าเนี่ยก็แต่งยาให้แล้วบ่าเนี่ยไปศึกษาเรื่องยาแนวใดกินเข้าไปแล้วมันจีรุ่งลูกมักกนไปมันจีแท่งลูกน่ะพ่อคืนมาก็ให้กินมันลงไปกินมัอีหน้างเนี่ยก็แท่งลูกเ น, นี่ะเอ๊ะพอต่อมาอีกพ่อตั้งขันน้นมาอีกเออบอกกับอกให้แม่ยายอีกแม่ยายก็แต่งย า, ยายอีกกินอีกแท่งอีกพ่อเธอที่สามเลยบ้านอีหน้างเนี่ยก็ะแลไปเว้าวให้ไทยบ้านฟังโอ้ยคอยบอกให้แม่ยายแม่ยายให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 แดงยาขาลูกในทองสองเธื่ อ, อนนี้เป็นเธื่อที่สามวัดลูกใหญ่แต่คอยก็ยติตายน้ำลูกอยู่ในทองอีกฉันเกิดพบนาชาดนาคอยเหตุขาแม่ใหญ่ก็ลูกอีกทุกทกชาติไปนี่แหละแม่น่อยนี่จองพาจองเว้นเลยเด้บาดพอไปทำมันเจ็บใจเยจองเว้นพ่อตายป๊บไปไปเกิดเป็นแมวบัด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 ผีปอบมึงก็สิห น, นี้ละมั่งไอ้ไอ้นางผีปอบเนี่ยกัหาโยนออกไปมันไปใสเอ๊มันไปใสแสดงว่ามันก็บมีญานเคลือ่อนออกไปเอาไปาไมาเห็นกําลังอุ้มลูกคุณมาวัดไปลูกคุนมา ก, กับผัวพไปพ่อมาเห็นผีปอบตัวเนี่กัพ่อเห็นนั่นแนหะะเห็นกับบอกโอ้ที่คอยขออุ้มะนะแตงโมไอ้นางนมันเห็นมันจํา ไ, ได้ได้บ่ะนี้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 พ ว, พวกผีเนี่ยเขาวัดบวไรบัพอเหตุไดพระเทวดาได้เทวดาอารักษ์นี่ยเทวดาที่มีศักย์ใหญ่รักษาประตูอยู่พวกยกักพวกนี่ยรักษาประตูผีทานันเขามากเงือกเธอเลอร์น่ เ, เ, เขาบไรแ ห, หย่านเด้แห้เขาไปบไรอีนีเห็นย่างนี่กันแลนเขาไปกกัาบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าอีหยังมาใช่นหมก็เลยบอกไอ้ฟั่งว่าผีปอบกินลูก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 นั่นแหละมันเว่นคือมาจากสุเจ้าแย่งผัวกั น, นาอาจารย์พลวะพอหนั้นต่อไปนี่ให้เอาโหัสีกันจะได้ขั้นบง่งเอาโหัสีกันมดพอเป็ี่ยนเว่นยิงใหญ่ขึ้นไปหนาเรื่อยพระพุทธเจาเ้าพลวาต่างคนกับต่างเล่ห์ให้เอาโหัสีกันเห็นโทษมันและอืปพอพอถือโทษโกรธเครื่องกันเว่นก็เลยระงับนั่นแหะแต่ต่อมาพระพุทธเจ้าก็เล่ห์ให้ห ย, ยักตัวนี้แหละไปอยู่กับ บ้าฑอีนางนี่ยเป็นผูดูแลใครเขาว่าเป็นมิตรเป็นสหายกันเป็นเพื่อนกันเวรจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเวรจะระงับไปได้ด้วยการจองเวรเพราะนั้นสิงมูนีในหลักของพระพุทธศาสน า, ษาพระพุทธเจ้าพ้นว่าตายแล้วบอศูนย์ทำกรรมไม่อย่างไรวกรรมนั่นจะตามสนองกงารทำกรรมโมดีจองเวรไวเวรน่ะก็จะต้องก่อกัน ก, ก่อกรรมทำเวรต่อกันบ่มิ่นที่สิ้นสดุด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 อยู่ในป้าหหยาเัยนะรถทางลรถแก่ะรถเท่ารถมันมัสภาพแต่โซ่เฟิร์นออกจากรถได้ป่ะไปหาซื้อรถขั้นใหม่ขันนว่าซื้อรถขั้นใหม่ขั้นผมมีทุนบมมีเงินกันนั่นแหละไปหาเกิดเป็นหมูหมากาไกลไปแล้วบัดตกต่ำเพราะนั้นพวกเข้าได้เกิดมาพบภคดศรานให้สร้างสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทตายแล้วบ่สูญ